สัมมาสัมพุทธาลาตีวิลตทีป่าป่ามัชะปานาญสัญญาโมอ ป, ปะมาทโทจะทมเมสุเอตัมมังกละลมุตัมมันตีติณนะบัตี้ใจได้อธิบาย ในมงคลอารติวิรติป่าป่าผู้ที่ละเว้นชิงความชั่วทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุเข้าของประการน ใ, นใดบุคคลนั้นแปลว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมเกิดขึ้นแก่ตนของตน ให้เราทุกคนจงคิดนึกในชีวิตของตนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เราทุกคนผู้ที่ทำความเคารพได้ไปสู่ความสุขแปลว่าตัวของเขาไม่ประมาณ ผู้ที่ตั้งใจความประมาทในใจของตนไม่มีความขลปรปกรัในใดๆบ้านก็อยู่ไม่ได้เลือนก็นอนไม่ได้ปา่าดงพงไยเป็นที่นอนของตนฐานมินประมาทประกรัในใดๆทุกอย่าง ในตนของตนบุคคลเช่นนี้ตายจากชีวิตนี้แล้วก็จะได้ไปสู่นรกของตนตลอดต่อไปตลอดถึงวัตถุเข้าของของเจ้าของก็ให้เป็นบาปให้เกิดตนของตนตลอดไป ให้โทษแกตัวเจ้าของทุกประการยังได้ขึ้นชื่อว่ากายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมวัตถุกรรมกรรมความโชดทงหลายเกิดขึ้นโดยกิริยาความเคลื่อนไหวอย่างนี้ตลอดกันไป <c oughs> อันนี้เพนแนกว่า ตนของตอนนั่นเองทาความชั่วตนของตอนนั่นเองเจตนาไลา่ตนของตอนนั่นเองแปลว่าวางโครงการอยู่เสมอในสิ่งที่เป็นบาปกรรมตลอดเป็นนิดจึง้ขึ้นชั่ว บ, บาปกรรมเกิดขึ้น阿拉ตีวิลตีป่าป่า บุคคลผู้ละเว้นบาปกรรมความชัว่วทางกายทางวาจาทางใจพุทธเจ้าพันว่าเป็นมงคลคำว่ามงคลแปลว่าความสุขคำว่ามงคลแปลว่าอยู่ตามสบายใจคำว่าเป็นมงคลแปลว่าสิ่งใดๆทุกอย่างไม่เกิดความทุกข์ในชีวิตของตน อันนี้เพล่าวว่าเป็นมงคลความสุขที่เกิดเป็นมนุษย์หนึ่งร่างกายไม่เป็นพยาติโลคาสองไม่ล้มหายตายลงไปเมื่อเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มสามตนของตนมีคู่คนเมตตาอยู่ตลอดกันไป สีตนของตนนั่นเองมีเข้าของเงินทองใช่อยู่กินได้ตามความสบายใจห้าตนของตนรูปร่างผิวพัรรณนณณสาริละร่างกายประการใดเป็นที่รักใคร่พอใจของบุคคลทั่วไป หกตนของตนนั่นเองมีความคิดมีความอ่านมีปัญญาความฉลาดเฉลียวสานทำการงานอะไรทุกอย่างถูกต้องไม่มีการผิดพลาดประการ ใ, ใดๆจิตตนของตนนั่นเองไปที่ไหนมีพักมีพวกมีบริษัทมีบริวาร ไม่มีภัยอันตรายประการใดเกิดขึ้นในชีวิตของตนแตตนของตนนั่นเองสุขภาพของสาริละหลางกายไม่เป็นพยาธิโรคคาประการใดใดเป็นสุขสำลาญตลอดเป็นนิดเก้าตนของตนนั่นเองได้สนดับรับฟังตั้งใจเพิ่มเติมบา ร, รมี คือธรรมะของพุท ธ, ธะจะได้เพิ่มความดีของตนในชีวิตต่อไปอันนี้พลวัลมงคลอันนี้พรวัลบุคคลผู้เกิดมาถูกต้องอันนี้บุคคลผู้เกิดมาแล้วเทวดาซ่องสาธุการยินดีพอใจบุคคลผู้ประมาทเหล่านั้น จะมีชีวิตอยู่ก็ช่างเถิดตนของตนต้องได้รับผลความทุกข์ตลอดกันไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกคู่คนที่ตนของตนที่ทําความชั่วอยู่แล้วในชีวิตวัดเดียวนี้ต้องได้รับผลแห่งความทุกข์ของตนตลอดต่อไปบักนะ มันว่าจะไล่กูทุกรายการหาวิธีวางโครงการว่าจะไล่กูตลอดวันแล้วเขาไปไล่มนันนีก่อนอันนี้ไอ้ชูคิดบางดูอันนี้แหละผลว่าความมินประมาทในชีวิตในกายของตอนคิดอ่านวางโครงการตลอดไปชัยชนะแล้วเว้ยชัยชนะแล้วเว้ยพวกเราชัยชนะแล้ว บ้านแล้วตนของตนผดแพ้บ้านก็ไม่มีนอนป่าเป็นที่รับนอนหนีไปทั้งใต้ทั้งเหนือทั้งไหนไม่รู้เรื่องราวะพร า, ะ ว, ะพราวังประการใดความมิตกความวิจาร์ความทุกข์ลำบากตลอดทุกรากการตลอดไปอันนี้เป็นว่าให้คิดอ่านเพราะวาในการมินประมาทไลย ประมาทพระพูดประมาทพระธรรมประมาทพระสงฆ์ตมาประมาทวยวบุธโธคุณวุโธตลอดถึงพ่อแม่ของตนก็บ่มีการทําความเคารพอ่อนน้อมประการใดการกินของตนก็กินพิกษกฎหมายของบ้านของเมืองทุกประการสตางค์ของตนจริ้งแท้หามาได้ชื่อกินแต่มันพิษระเบียบ ข, ของการปกครองของบ้านเมือง พิธระเบียบของพุทธศาสนากินของหมื่นเมาอันนี้เรพนแเนยว่าตนของตนการมินประมาทไม่ใช่ประมาทคนอื่นนะประมาทตัวเจ้าของนั่นเองหนึ่งในชีวิตนี้มีความทุกข์สเมื่อโตตนของตนต่อไปตายไปโลกเบื้องหน้าก็ต้องสวอยผลความทุกข์ สวยบาคัรรมของตนตลอดกันไปปรมทโทมัจจุโนโอปะทางเยปรมัตายะถามาตาบุคคลผู้ประมาทแล้วเหมือนกับคนตายแล้วอะประมทโทมัจจุโนโอปะทางเยปรมัตายะถามาตาบุคคลจะมีชีวิตอยู่เกิดแปล ว, ว่าไม่มีการมินประมาท บุคคลละชีวิตอันนี้แล้วก็มีความสุขเป็นเที่ยวบุตรเป็นเทวดาเอตํามังกะะมุตตํามังพะนอบเป็นมงคลอันดีมีความสุขเป็นมนุษย์ก็มีความสุขเป็นเทียวดาก็มีความสุขนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกๆคนอย่าเลยไม่คิดเงินของเราหาได้แท้แต่มันมีโทษ ทำโทษให้เกิดให้เก่ตัวของเราจึงได้ขึ้นชั่ววัตถุกกรรมตนของตนนั่นเองหาโทษให้ตัวเจ้าของหาบาปกรรมให้ตัวเจ้าของหาความชั่วให้ตัวเจ้าของหาทุกข์ให้ตัวเจ้าของหานรกให้ตัวเจ้าของหาความสุขไม่มีในชีวิตของตนตลอดไป จนตลอดว่าจาของตนการมินประมาททุกรายการพ่อแม่ก็มินประมาทคนเฒ่าคนแก่ก็ฐานมินประมาทสำนะกสีพรามณใดๆก็ฐานมินประมาทมันมีขรบอะไรทุกอย่างทุกรายการโทษของเจ้าของมันเกิดขึ้นแล้วนี่ให้เราคิดนึก บุคคลที่ไม่วางตนของตนให้ถูกต้องตามระเบียบธรรมะของอุทละแล้วมันต้องเป็นบาปเป็นกรรมเกิดขึ้นให้กับตนของตนตลอดไปให้เราทุกคนจงละเว้น <c oughs> สมบัติสตางของเราเทกับเป็นโทษให้ตัวของเราแทหามาได้แล้วก็เป็นโทษให้ตนของตน มีโทษมีภัยเกิดขึ้นทุกายการทำไมยี่มีโทษเอาชื่อกินของพิษภาษีของพิกษกฎหมายของบ้านเมืองของพิษ ธ, ธรรมะของพุทธก็มีโทษเกิดขึ้นทันทีนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าสมบัติของจะกของหามาใดแท แต่ตนของตนนั่นเองมีโทษเกิดขึ้นทันทีในสิงสมบัติของเจ้าของเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงละเว้นอันซิ่งตัวของเราเป็นมนุษย์แล้วนี้แล้วให้เป็นมงคลให้ความดีเกิดขึ้นในชีวิตของตนชีวิตของเราอายุยืนยาวเท่าไรกันแล้ว เกิดมาบัดเดียวนี้ให้เจตนาให้ทำความดีเพราะเราเมื่อจะเกิดมาในโลกว่าตั้งใจจะสร้างบําเพลินบารมีกองการกุศลจะประกอบความดีเพิ่มเติมบารมีต่อไปจนตลอดบุคคลจุติลงมาจากสวรรค์พวกเทวดาทั้งหลายก็ให้พรอวยอำนวยให้ ลงไปแล้วอย่าไปลืมเน้อาศาสนาของพุท ธ, ธยังมีอยู่ในโลกเิ็นของตนต่อไปจะได้กลับคืนมาอีกอยู่บนสวรรค์ที่เก่าให้ตั้งใจของตนตลอดไปเถิดลงไปเกิดแล้วจะได้พบปะบันดิตในชีวิตของตนเมื่อลงมาแล้วก็เอาทำไปไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้จักภาวะผวัง ทำความชั่วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจการทานมินประมาทเพราะการใดๆทุกอย่างหน้าที่ของตนนั่นเองก็ได้ทุกในรับปัจจุบันทันทีแต่ทุกเบื้องหน้าญาติพี่น้องไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่จะเข้าใจจะเป็นอะไรไม่รู้เรื่องเขาว่าตายแล้วกันแล้วกันไปเสีเหมือนลมเหมือนแรงลมพัดไปกันแล้วกันไป อันนี้มันเรื่องกับตัวเราทุกคนยังมามีวิชาความรู้ยังมามีธรรมะความเข้าใจในภายในใจของตนจึงเห็นว่าโลกหน้าไม่มีกรรมความชั่วไม่มีเบื้องหน้าดีชั่วไม่มีเบื้องหน้ามีแต่เรื่องของตนมีสตางค์แปลว่ามีความสุขเท่นั้นเองมันมีสตางค์กับปแปลว่ามันมีความสุข นี่ควคิดของตนไม่เท่านี้เหมือนกับเด็กร้อยลองให้อยากกินขนมกับแม่ของมันไม่รู้ว่าขนมนะั่นมันเกิดอย่างไรพิธีมันมาอย่างไรผลมันเกิดอย่างไรจึงได้เป็นขนมเกิดขึ้นอันนี้แหละให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตนของตนทุกๆคน เราปัญญาความเชี่ยวชาญยังไม่ท่านมีภายในใจของตนจึงไม่รู้จักเห็นปญเห็นบาเห็นโลกนี่และโลกหน้าไม่ได้คิดแด่อ่านว่าจริงอะไรทุกอย่างมีโทษมีภัยประ ก, การใดๆเหมือนกับบุคคลผู้มีความคิดมีดผาของตนมันคมมันฟันได้ปุดขาดได้ดังละเอียด ในทัน อ, อกทันใจตนก็ฟันไปไม่รู้เรื่องเพราะวะผวงก็ถูกแข้งถูกขาตกริโทษภัยเกิดขึ้นทันทีอันนี้แหละพลว่าให้เราคิดนึกตัวของของแท้ไม่ใช่ของคนอื่ น, นถูกตัวเจ้าของนี่ฉันในเหมือนกันตัวของเราทุกทุกคนเสาะหาสิ่งที่เป็นโทษเสาะหาสิ่งที่เป็นบาปเสาะหาสิ่งที่เป็นภัย ให้เราตั้งใจของตนทุกคนในชีวิตนี้อย่ามินประมาทหนึ่งบิดามานดาปิตาคลวาตาคลบบิดาคือพ่อของตนมาตาคลวาตาคลบมานดาคือแม่ของตนไวยะคลวาตา ภูที่เกิดมานมนานกันแล้วคุณะคลวาตาภูมิคุณธรรมอันดี 1. น่งเขามีศีลสองเขามีธรรมะสามเขามีความรู้สี่เขามีเมตตาพักข์ใยอบรมหลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนขุงประการใหๆอันนี้พปนว่าคุณะคลวาตา นให้เราทุกคนจงคิดอ่านขันบุคคนมีปัญญาความคิดอ่านอย่างนี้แล้วประการใดๆเขาเรียกว่าเป็นมงคลเอตมังกะละมุตตมังก์เป็นมงคลเป็นมงคลอันดีที่เรายังมีชีวิตอยู่เมื่อหนี้จากโลกนี่แล้วปุญญาพิสังขารบุญตกแต่งร่างกายรูปร่างเกิดขึ้น เป็นเทวบุตรเป็นเท ว, วดาต่อไปทันทีในให้ญาติพี่น้องทุกคนจงคิดอ่านในชีวิตของตนเดี๋ยวนี้จิตของเรามันได้ร่างกายอันนี้แล้วได้ร่างกายนี้แล้วจะใช่ไปทางไหนได้ทางนั้นใช่เป็นบาปก็เป็นบาปเกิดขึ้นใช่เป็นบุญก็เป็นบุญเกิดขึ้นบุญกับบาปทั้งสองเป็นสมบัติของใจไม่ใช่สมบัติของร่างกาย สมบัติของร่างกายมิเตวัตุเข้าของประการใดๆใในโลกตลอดถึงดินดอนไร น, นาลู่สนเลือนชานบ้านทิจูผ้าโนหมยุกยาแก่โรคภัยไข้เจ็บประการใดๆใอันนี้เป็นสมบัติของสารีระร่างกายไม่ใช่ของใจให้เราทุกคนจงใช้ปัญญาคิดอ่านพิจารณาอยู่เสมอในชีวิตของตน บุคคลผู้ตั้งใจมีความคิดอันการอ่านอยู่อย่างนี้ตลอดไปบุคคลนั่นเป็นมงคลแปลอิต ม, มังกัลมุตต ม, มังเทพเจ้าทั้งหลายช่องสาธุการยินดีต่อบุคคลผู้ทำความดีอย่างนี้ตลอดไปนี่จให้เราญาติพี่น้องทุกคนจงตั้งใจของตนในชีวิตบัดเดี๋ยวนี้ เช่นวัเดียวนี้ที่ตัวของเราหนึ่งการมาทําบุญให้ทานสองตัวของเรานั่นเองได้รักษาศีลสามตัวของเราได้หว้พระสี่ตัวของเราได้ฟังเทศห้าตัวของเราได้ทําความเคารพอ่อนน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมออันนี้เราพูดเรียกว่าเป็นมงคลเป็นความสุข ความสุขต่อไปสุขชีวิตนี้ไม่มีไคให้โทษสุขชีวิตต่อไปเปลียว่าบุญกุศลเป็นผู้อำนวยตลอดไปเป็นนิดรูปร่างเป็นเทวบุตรเป็นเทวาดาตลอดกันไปเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจของตนทุกๆคนตลอดไปในชีวิตที่เราเกิดมาบัดเดี๋ยวนี้ จึงจะได้รับผลความดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบำเพ็ญความดีของตนทำไมยังไปทำความชั่วในชีวิตของตนเราอันนี้ถ้าเป็่ความเห็นผิดตนของตนบ่มีการสัมคมบัณฑิตประการใดๆบุคคลสัมคมบัณฑิตแปล ว, ว่าตั้งใจนับถือประพุทพธประทประสงค์อยู่เสมอละเว้นสิ่งความชั่ว ตนของตนเกิดความละอายเสมอซช่งความสศรพระว่าหิริอตตปะสมปนาสุขธรรมมาสมาหิตาสันโตปุริสะโลเกเทวธรรมานาุจัลุจัจลิแปละว่าผู้มีหิริคือความละอายโอตตปะความสะดุ้งกลัวแก่บากบุคคลผู้ตั้งใจอยู่เสมอในสิ่งที่ความดีอยู่ตลอดเป็นนิด สันโตปุริสะโลกีเทวธรร ม, มานาุจจะเลเป้าเป็นเทวธรรมอันดีที่สุดของบุคคลผู้ตั้งใจตลอดไปเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนทุกๆคนในชีวิตเดี๋ยวนี้สวรรค์ไม่เต็มนะนรกไม่เต็มนะนรกจะไปเท่าไรก็ไปเถอะไม่เต็มสวรรค์จะไปเท่าไรก็ไปเถอะไม่เต็ม ยุคสมัยพระเจ้ามาตัดในโลกเทวดามากขึ้นมากขึ้นตลอดไม่ได้ยุติยอดเดี๋ยวนี้กำลังทยอยลงมาแล้วทยอยลงมาลงมาตลอดมาเกิดในโลกไปเป็นพลังเป็นแขกเป็นเจ๊กเป็นไทยเป็นอะไรทุกอย่างสุดแล้วแต่บุปกรรมพาให้ไปเกิด นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนทุกคนตลอดไปในชีวิตวัดเดียวทีเรากินอะไรเพื่อบำลุงร่างกายหล่อเลี้มันไว้โชระยะเวลาลมหายใจมีเท่า น, นั้นเองนี่ละที่อาตจจมาได้เตือนญาติพี่น้องทุกคนในการที่ไม่มีประมาทชีวิตของตนจะได้รับผลต่อไปไปข้างหน้า จะได้พบพระพุทธเจ้าจะได้บุญกุศลได้มากที่สุดเราจะได้สักการบูชาเราจะได้กราบได้ไหว้เราจะได้ฟังเทศเราทุกคนจะได้ตั้งใจปฏิบัติเราทุกคนจะได้ตัง้ตตงใจทำความดีทางกายทางวาิชาทางใจทางวัตถุเขาของ จะเป็นมงคลอันดีที่สุดของตนที่เกิดพบะปะบัณฑิตคือองค์พุทธเจ้าโดยึ้นในโลกเพราะฉะนั้นที่อตาตมาได้แสดงในมงคล阿ลตีเวลตีป่าป่าพอสมควรกับกาละเวลาอีวังก็มีด้วยปการัสนีอายุวัตโกธนวัตโกศชลวัตโกเจสวัตโกพลวัตโกวรณวัตโกสกวัตโกโหตุสัพปทา อายุวัติกาธนวัติกาศิริวัติกาเยชวัติกาภะละวัติกาวันวัติกาสุขวัติกาโหตุสัปปทาอายุวันูสุขังพระลังอาดาลีมายังพันติอะปุตตามาถกยมายังาลิยาเยชานาตุงฮก็หลังวิยาธา